มันปกปิดโดยอาการสี่ประการด้วยกันข้อแรกก่อนคำว่าจริงอย่างนั้นเป็นการอธิบายว่าการไม่รู้ในทุกนั้ น, น่ะชื่อว่าเป็นการอย่างลงภายในทุกขสัจจะเพราะตัวอวิชานี้นับเนื่องในทุกขสัจจะถามว่าโดยอริยสัจเสียวิชาเป็นสัจจะไหนเป็นทุกขสัจจะเพราะสมุทัยเนี่ยยกคือตันหาอันนี้พูดตามนิย่านี่นะตันหาอย่างเดียวคือสมุทัยสัจจะ ที่เหลือเป็นทุกขสัจจะโลกิยธรรมที่เหลือทั้งหมดเป็นทุกขสัจจะอันความโง่เขานี้เป็นทุกขสัจจะเมื่อเป็นทุกขสัจจะก็บอกได้กิจได้เลยว่ากิจของอวิชชานั้นเป็นชนอะไรปริญญาธรรมโดยตัวเขาเองเนี่ยเป็นญาญาธรรมเป็นธรรมที่ควรรอบรู้เป็นธรรมที่ควรรู้ควรศึกษาจนมีความเข้าใจในในเรื่องของอวิชชาเป็นอย่างดี อันนี้ข้อแรกว่าอาวิชชาเนี่ยนะอย่างลงภายในคือตัวมันเองเป็นทุกขสัตว์อย่างที่สองทุกขสัตว์จะนีเชื่อว่าเป็นที่ตั้งคือฐานะเป็นนิสยาป จ, จัยของการไม่รู้ทุกนั้นมันที่ตั้งเนี่ยนะหมายความว่าถ้าไม่มีทุกขสัตว์จะอวิชามจะเกิดได้ไหมไม่ได้ทันกองทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชา ก็ก็เหมือนว่าถ้าไม่มีแผ่นดินเนี่ยพืชทั้งหลายมันจะเจริญงอกเงยไหมไม่มีฉไนถ้าไม่มีทุกขสัจจะเนี่ยนะอวิชามันจะเจริญงอกเงยไหมไม่เจริญแล้วถามว่าอาวิชานี่เวลามันเกิดเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับโลภะบ้างเกิดร่วมกับโทสะบ้างเกิดร่วมกับโมหะบ้างเรียกว่าเกิดในโมหะมูลจิตอ่ะนะที่ตั้งของมันเนี่ยนะที่ตั้งของมันก็คืออะไรก็คือในกองทุกข์ทั้งหลาย ขณะที่โลภะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะมีเจตสิกประกอบนั้นอวิชาก็เกิดอยู่ด้วยนะที่นั้นอวิชานี่อาศัยสิ่งเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นแปลว่าอาวิชามันรวมอยู่ในตัวทุกมันอาศัยกองทุกหรืออาศัยทุกขสัจจะเจริญขึ้นอาศัยทุกขสัจจะเจริญงอกเงยอย่างสมมุติว่าอาวิชานี่มันคือสมมติว่ามันคื อ, อมหาโจรเนี่ยนะหรือเป็นเป็นโจรหนึ่งในจํานวนโจรทั้งหลายเนี่ยนะ มั้นเวลามีโจรที่ไหนอวิชชาเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ร่วมกับกองโจรด้วยมันก็คือหนึ่งในกองโจรถ้ามันอยู่เดียวๆียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่กับพวกนั่นนะอวิชชาเหมือนกันมันต้องอยู่กับภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินศีวนาศิการพิตกวิจารณทิโมกวิริยาปีติฉันทะโลภะทิฏฐิมานะอหิริกาอโนตตะปะโทสะอิชามัชเริยะกุกุจฐีนามิทะ มันอยู่ร่วมกับบาปอกุศลทั้งหลายถ้าไม่มีบาปอย่างอื่นนะั้นไม่ที่ตั้งของมันอนะ่ะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่เดียวๆไม่ได้เพราะมันอวิชาเป็นสังขารธรรมมันมันจะต้องอาศัยนิสยปัจจัยอนะนะอาศัยนิสยปัจจัยคือพักพวกนะพักพวกที่อยู่ด้วยกันพันทุกขสัจจะทั้งหลายจึงเป็นฐานที่ตั้งของอวิชาพันธะรอบรู้ธรรมอื่นๆ น, นะจะเท่ากับรอบรู้อวิชาด้วยเพราะอวิชามันเกิดร่วมกับบาปอกุศลเนี่ยนะนะ นี่ต่อไปอย่างที่3ปกปิดโดยการเป็นอารมณ์เพราะเป็นอารมณปัจจัยคือความไม่รู้ในทุกเนี่ยนะมันแบบมันปกปิดกองทุกไม่ให้เห็นอัฏฐะความจริงแท้ของกองทุกทั้งหลายเหมือนกับแปลว่าถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาปกปิดไม่ให้รู้ความจริงตลอดเวลานี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ทุกขสัจจะย่อมปกปิดการไม่รู้กองทุกขนั้นเอาไว้สุดท้ายนะมันปกปิดไม่ให้รู้ความจริงของกองทุกหรอกว่ากองทุก อย่างกองทุกเนี่ยว่าโดยย่อกองทุก ค, คืออะไรว่าโดยย่อกองทุก ค, คืออุปาทานขันทาได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและเวิน ญ, ญาณเนี่ยถามว่าเราได้ฟังอย่างี้เราเห็นสัจจะหรือยังบอกว่าได้ยินได้ยินแต่ยังไม่ได้เห็นอ้าวถ้าเห็นจริงๆเนี่ยต้องเห็นยังไง พอเราฟังแล้วนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณฟังแล้วโอ้โหมันตัวเบียดเบียนสิ่งใดที่จะเบียดเบียนเท่ากับขันห้าไม่มีอีกแล้วสิ่งใดที่จะเร่าร้อนสเสมอด้วยขันห้าไม่มีอีกแล้วอะไรจะปรุงแต่งเท่ากับขันห้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะอะไรที่จะแตกทําลายเท่ากับขันห้าไม่มีอีกแล้วตอนที่สวดเมื่อกี้ฝังมาอย่างนั้นไม่ใช่ไหมเพิ่งมานึกเพิ่งพูดถึงก็นึกถึงทีกันนะอ่า ก็คือไม่ได้เห็นอย่างนั้นเป็นอัธยาศัยไอความไม่รู้ดังกล่าวไปนั่นแหละเป็นอวิชชาเนี่ยนะเป็นอวิชชาปกปิดไม่ให้เห็นอัธถะที่จริงที่แท้ความจริงความแท้ของทุกทั้งหลายไม่ให้เห็นขันห้าตามที่ควรจะเป็นเนี่ยนะไม่ให้เห็นขันห้าตามที่ควรจะเป็นเพราะว่าขันห้าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะก็ถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นให้มีความรู้ความเห็นในทุกขริยสัตว ตามจริงแท้เนี่ยจะต้องไม่ลืมว่าทุกเมื่อใดก็ตีละนะเบียดเบียนเสมอเนี่ยนะผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกองทุกทั้งหลายก็เบียดเบียนผู้นั้นจิตใดไปยึดมั่นในกองทุกจิตนั้นก็ถูกเบียดเบียนเพราะตัวมันเองนี่ถูกเบียดเบียนอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ตัวมันเองตัวขันห้าก็เป็นสิ่งที่เร่าร้อนสันตาปสันดาบเนี่ยนะมันเป็นของร้อนอยู่แล้ว ใจใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกองทุกใจนั้นก็ร้อนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นของร้อนเนี่ยนะโดยสภาวะของมันเองเนี่ยรา้อนร้อนเพราะอะไรสันดาปเนี่ยนะก็ชราและมรณะเป็นต้นเผาตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาทีนี้ใจที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยมามันเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องตามจริงนะมันจะเกี่ยวข้องตามตรงกันข้ามหมดแล้วก็ไอ้คันหพระองค์ตรัสว่าพาราเวเนนะมหาภาระ ที่เรียกว่ามันเป็นมหาภาระนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันบริหารมากบริหารยากบริหารรูปกับริหารยากรูปนี้บริหารยากนะบริหารเวทนายากกว่ารูปอีกันนะไอ้ปกปิดหลอกหอกรูปยังพอได้แต่ปกปิดเวทนา น, นี่ไม่ได้ใช่ไหมตบแต่งภายนอกให้ดูดีได้แต่ว่าความทุกข์ภายในก็ไม่ได้แปลว่าลดลงแต่งให้กายเป็นสุขได้เอาทุกข์ใจอีกแล้วทันเวทนานี่แต่งยาก สัญญาก็แต่งยากสังขารก็แต่งยากวิญญาณก็โอ้ยแต่งยากเพราะมันถูกหลอกไอ้เครานะถูกวิญญาณหลอกตลอดตามไม่ทันทันวิญญาณง่ายๆหรอกผีหลอกมาไงแต่วิญญาณมันก็หลอกจ ร, งจรงิงๆนะมันหลอกอยังไงอ่ะเคยเห็นไหมตอนค้ามามันก็เหมือนก็จิต ด, ดวงเดียวกันคนเดียวกันนี่แหละมาคนเดียวกันนี่แหละนั่งอยู่คนเดียวกันนี่แหละพูดยืนเดินทํากิจการงานคนเดียวกันนั่แหละพากลับไปมันเดียวหรือใช้ความคิดไปเท่าไหร่แล้ว ก็ยังเห็นว่าอันดีเยียวเหมือนกับว่าคนคนนั้นนั่นแหละคนคนนั้นนั่นแหละนั่นก็แปลว่าถูกวิญญาณนี่หลอกวิญญาณนี่มันหลอกให้ดูเหมือนเที่ยงทั้งๆ ท, ที่มันเนี่ยไม่เที่ยงนันะท่านอวิชานั้นปกปิดไม่ใช่ปกปิดอยู่เท่านี้นะไม่ใช่ปกปิดแค่ปัจจุบันอารมณ์อย่างเดียวมันปกปิดทั้งอดีต ด, ด้วยก็เคยได้ยินนะว่าอาวิชานี่มันปกปิดอดีตไม่รู้ในอดีตไม่รู้ใน อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าขันธาตุอายตนะอดีตมันเป็นอย่างไรมันเบียดเบียนบีบขั้นอย่างไรมันเร่าร้อนอย่างไรถูกปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรแล้วก็วิปริณัมสลายไปเช่นใดไม่รู้รอกว่าขันอายตนะธาตุที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยมันตีละมันเบียดเบียนอย่างไรมันเร่าร้อนอย่างไรมันถูกปัจจัยปรุงแต่งอย่างไร และแตกสลายไปอย่างไรแปลเปลี่ยนไปอย่างไรอวิชาปกปิดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นและไอ้สำคัญก็อย่างที่ว่าไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นด้วยสิไม่สนใจที่จะรู้ไม่สนใจที่จะเห็นอันนั้นแปลว่าอาวิชาทางานได้เต็มที่พันถามว่าผลพวงของการให้อวิชาเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ให้มันอ้วนพีเลยเนี่ยนะอะไรก็สังสารทุกข์ถ้าขุณอวิชาให้เจริญเติบโตได้เท่าไหร่นะสังสารทุกข์ยาเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจนมี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 โสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ตามมาสังสารทุกวัตทุกทั้งหลายก็ไหลไปสืบเนื่องไปอย่างนี้นี่แหละพันักความที่เราทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นไม่แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะโดยเฉพาะทุกขสัจจะทั้งหลายคือทุกขสัจจะทั้งหลายเนี่ยนะจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน ความหมายสาระที่จริงแท้สภาวะที่จริงแท้ความเป็นจริงที่จริงแท้ของกองทุกขคือขันทั้งหลายก็คือปีละนะนี่แหละมันเบียดเบียนบีบขันสันตาปะเร่าร้อนอยู่นั่นแหละมันจะเมื่อใดมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อใดมันก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจะต้องอกว่าจะปรุงได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะยากมากเลยนะในอย่างที่ว่ารูปประคันของเราเทั้งหลายนะกว่าจะปรุงแต่งเลี้ยงดูได้ขนาดนี้นี่ โอ้ยเหนื่อยไม่ใช่ธรรมดานะีกว่าจะแต่งให้มันได้เท่านี้นะแล้วก็ไม่ใช่แต่งเท่านี้แล้วมันจะอยู่ได้จะต้องแต่งอีกต่อไปคำว่าแต่งแต่งด้วยอาหารแต่งด้วยภาษาด้วยยู่ด้วย ย, ดว ย, ยาด้วยโอ้ยสารพัดออกกําลังกายไปทําทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้มันสังฆะธรรมที่ปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วปรุงยิ่งปรุงยังไงก็ยิ่งสลายปรุงยังไงก็ในที่สุดก็สลายไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้ น, ะนผู้ที่ศึกษาอริยสัจเนี่ยนะจะต้อง ไม่เผลอความจริงอันนี้ถ้าเผลอความจริงอันนี้เมื่อไหร่ปกปิดหลอกตัวเองเมื่อไหร่ก็อวิชาก็โตเอาตัวเอาก็ต้องเมื่อใดที่เราเห็นว่าไอความไม่รู้คือศัตรูที่ร้ายกาจเนี่ยนะความไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นอมิตรพระพุทธเจ้า บ, บอกว่า โ, โมหะเนี่ยนะเป็นอมิตรภายในเป็นขฆาศึกภายในเป็นศัตรูภายในเนี่ยนะเป็นฆาศึกชนิดที่เรียกว่า ไม่มีอะไรจะทำลายขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะพาล่มจมตลอดเลยก็เพราะอวิชชาที่อยู่ในภายในเมื่อใดที่เรารู้ว่าไอ้ความไม่รู้ความจริงเนี่ยนะไม่เห็นอริยสัจที่คือความเลวร้ายที่สุดเมื่อใดนาอสามัญยสํานึกเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าไอ้ความไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งไม่แทงไม่ตลอดไม่ทาปริญญาไม่ละไม่ทาให้แจ้งไม่เจริญอริยมรตทั้งหลายเนี่ยมันคือความเลวร้ายเนี่ยนะ มันคือโรคร้ายที่สุดเนี่ยนะเป็นโรคร้ายที่สุดที่จะพาล่มจมพาพินาศพาล่มสลายพาทําลายพาไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนระกเป็นต้นเมื่อใดที่จะเห็นว่าไอ้ความไม่รู้คือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะถ้าทําใจได้ขนาดนั้นก็มีวีมีแววมัง่งแปลว่ามีแววพอจะเห็นอริยสัจได้บ้าง น, นะแต่ก็บอกไอ้ไม่รู้ก็ฉันไม่เห็นเสียหายอะไรก็บาบอกงั้นเชื่อเถอะคุยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะคุยไปคุยมาเนี่ย โดยมากมันพวกอนุรักษ์นิยมเรามาณนี่เจอคุยมาม า, มาหลายกับคนแะศึกษาธรรมะนี่แหละไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเขาบ่างั้นก็แปลว่าอะไรก็ชอบที่จะให้มันโง่ต่อไปว่างนั้นไงชอบที่จะมีอวิชชาไม่เคยเห็นโทษของอวิชชาเนี่ยนะถือว่าอวิชชาไม่เห็นเป็นไรเลยไม่รู้เรื่องนั้นมันมันลุไม่ได้เลยนะเขาบอกงั้นนะขอไม่รู้แล้วก็ขอบรรลุอย่างเงี้ยนะขอโง่ต่อไปแต่ขอบรรลุอย่างเงี้ยก็แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างนั้นจริงๆ ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการฟังอริยสัจแต่ขอบรรลุอริยสัจมันจะเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยนะท่านจะต้องพยายามตั้งอัตตะสัมมาปณิทิให้ดีๆเลยนะว่าศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตที่จะต้องฆ่าคืออวิชชาเนี่ยนะแล้วก็ฆ่าไม่บาปรอเคยได้ยินไหมว่าคนฆ่าความโง่แล้วบาปไม่มีมีแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยนะนะมีแต่บุญอย่างเดียวอะไรจะบุญเท่ากับ ค่าอาวิชชาที่อยู่ในภายในค่าความไม่รู้ภายในไออวิชชาเนี่ยนะมันเป็นรากที่ชนิดมีพิษร้ายแรงมากอาวิชชาเนี่ยเป็นภาษาธรรมะเรียกโมหมูลแปล ว, ว่ารากเง่าแห่งความเลวร้ายมันเป็นรากเง่าของความโลภเนี่ยนะเป็นรากเง่าของกายกรรมที่ชั่วช้าเป็นรากเง่าของวจีกรรมที่ชั่วช้าเป็นรากเง่าของมโนกรรมที่ชั่วช้าเป็นรากเง่าของราคะและ โทสะเป็นรากเง่าของถีนะมิธาเป็นรากเง่าของริษยามาณทิติเป็นรากเง่าของความชั่วร้ายสารพัดอย่างในโลกเขื่ อ, อวิชาถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีใครทําชั่วหรอกเคยได้ยินไม่ฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าแล้วทําชั่วในคนที่ทําชั่วไม่เห็นอริยศาสรหรอกเชื่อไม่เห็นความจรงิงถ้าผู้ใดรู้ความจรงิงผู้นั้นไม่ทําความชั่วดีตดขาดแต่ที่ทําก็เพราะไม่รู้ความจรงิงเนี่ยนะเขบอกอา้าวเขาเคยได้ยินได้ยินกับรู้มันไม่เหมือนกัน ได้ยินกับรู้แจ้งเข้าใจสิ่งนั้นอย่างสุดซึ่งตลอดสายเนี่ยนะคนที่ปวดหัวจริงๆกับเคยรู้สึกว่าปวดหัวจริงๆกับคนที่คิดออปวดหัวมันก็ปวดหัวมันก็ต่างกันอยู่แล้วฉันใดผู้ที่ เ, เห็นอวิชชาว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็ฉันนั้นเนี่ยนะพระรยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นโทษของอวิชชาจริงๆว่าอาวิชชาเนี่ยคือตัวบันทอนตัวทําลายตัวที่ร้ายกาเพราะอาวิชชาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะ มันปกปิดทุกขสัตว์มันปิดไว้อย่างไงความจริงทุกขสัตว์เมื่อกี้ฟังแล้วใช่ไหมว่าความจริงนะทุกข์ไหมว่าทุกข์คือขันอายตนาธาตุจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามจะเมื่อใดก็ตามมันคือสิ่งที่เบียดเบียนบีบคั้นปีลณะเนี่ยนะเมื่อใดมันก็เบียดเบียนบีบคั้นสันตาปะเมื่อใดก็เป็นสิ่งที่เร่าร้อนเมื่อใดก็คือมหามหาสังฆตะธรรมนะถูกปัจจัยปรุงแต่ง กวจะปรุงได้ขนาดนั้นก็ปรุงยากยากไม่เชื่อปรุงอาหารแค่ถูกลิ้นเฉยๆนี่ก็ปรุงยากนะปรุงอะไรที่จะถูกตาถูกหูถูกจมูกถูกลิ้นถูกกายเนี่ยแม้จะปรุงถูกใจนี่ยากกว่านั้นอีกแล้วปรุงจริงๆเนี่ยนะกว่าจะปรุงได้อย่างนั้นเสร็จแล้วในที่สุดจะปรุงดียังไงก็ธรรมชาติมันก็คือสลายไปเหมือนกับเคยเห็นเขาแกะสลักน้ําแข็งไหมโอ้กว่าจะแกะสลักน้ําแข็งได้สาเร็จเนี่ยนะแกะอีท่าไหนมันก็ละลายอยู่ดีนั่นแหละ จะต้องถามว่าถ้าจะให้มารักษาให้คงเดิมไม่ใช่ของง่ายเพราะในที่สุดเนี่ยนะมันก็สลายถ้าเพิ่มความเย็นกว่าเก่าไอ้ที่แก่ไว้เสียอีกเพราะมีไออย่างอื่นมาเกาะแทนไปอีกมันก็สวยอยู่แป๊บเดียวฉันใดขันห้าทั้งหลายก็ปรุงแล้วก็เป็นอย่างนั้นยิ่งปรุงยิ่งแปรนะนะในที่สุดปรุงมากก็แปรมากอย่างที่เขาว่าบางคนเนี่ยนะโหอยากจะรักษาสุขภาพให้ดีก็เลยหายามาทานมากในที่สุดก็ตายเพราะยาแทนหลย ไม่ใช่อะไรหรอกอย่างที่ก็ว่ากษัตริย์บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าอยากจะอายุยืนมากก็เลยหายาเขาก็เลยเอาปลรรอดกับหยกมาต้มทานเป็นยาอายุวัฒนะก็เลยตายเร็วเลยกันนี้